านิสูตรว่าด้วยลาบสการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนสายฟ้าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคศกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาบสการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมสายฟ้าผ่าถูกใครลาบสการะและความสรรเสริญย่อมติดตามพระเสขผู้ยังไม่บรรลุอรหัตผล คำว่าสายฟ้าผ่านี้เป็นชื่อของลาบสักระและความสันเสริญภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้อาสนิสูตรที่หจบ ทิฏฐสูตรว่าด้วยลาบสักระและความสันเสริญเปรียบเหมือนลูกศร อ, อาบยาพิษพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมบุคคลยิงลูกศร อ, อาบยาพิษถูกใครลาบสักระและความสันเสริญ ย่อมติดตามพระเสขะผู้ยังไม่บรรลุอรหัตผลคำว่าลูกสอนนี้เป็นชื่อของลาบสักระและความสรรเสริญภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุนละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ทิฏฐสูตรที่เจ็ดจบ สิคาและสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาบสักระและความสรนเสริญเปรียบเหมือนสุนักจิ้งจอกเป็นโรคเรื้อนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตครูงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมเมื่อเช้าตรู่เธอทั้งหลายได้เห็นสุนัขจิ้งจอกแก่ที่มาอาศัยอยู่หรือ เห็นพระพุทธเจ้าค่ะสุนัขจิ้งจอกแก่นั้นเป็นโรคเรื้อนอยู่ในเรือนว่างก็ไม่ยินดีอยู่ที่โคนไม้ก็ไม่ยินดีอยู่ในที่แจ้งก็ไม่ยินดีเดินเยืนนั่งนอนในที่ใดใดก็เป็นทุกข์ในที่นั้นๆภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันถูกลาบสักระและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตอยู่ในเรือนว่างก็ไม่ยินดี อยู่ที่โคนไม้ก็ไม่ยินดีอยู่ในที่แจ้งก็ไม่ยินดีเดินยืนนั่งนอนในที่ใดๆก็เป็นทุกข์ในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุนละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้สิกขาละสูตรที่8ดจบ เวรมพสูตว่าด้วยภิกษุติดลาบสักระและความสันเริญเปรียบเหมือนนกถูกลมบ้าหมูพัดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขโครงสาวทีภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมลมบ้าหมูพัดอยู่บนอากาศซัดนกที่กำลังบินอยู่ในอากาศ เมื่อมันถูกลมบ้าหมูซัดเท้าไปทางหนึ่งปีกไปทางหนึ่งศีรษะไปทางหนึ่งตัวไปทางหนึ่งภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันถูกลาบสักระและความสันเรินครอบงำย่ายีจิตเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมไม่รักษากายวาจาจิตไม่ตั้งสติให้มั่นคง ไม่สำรวมอินทรีย์เธอเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยในที่นั้นราคะก็รบกวนจิตของเธอเพราะเห็นมาตุกคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเธอถูกราคะรบกวนจิตจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสพิกสุพวกหนึ่งนำจีวรของเธอไปพวกหนึ่งนำบาทไปพวกหนึ่งนำผ้านิสีธนะไปพวกหนึ่งนำกล่องเข็มไป เปรียบเหมือนนกถูกลมบ้าหมูซาดไปฉะนั้นภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้เวรัมสูตที่เก้าจบ สิสักาธกะสูตรว่าด้วยลาบสัก ร, ะ, ร ะ, ะและความสันเสรนมีอบายเป็นผลพระผู้มีประภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาบสัก ร, ะ, ร ะ, ะและความสันเสรนเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมเราเห็นคนบางคนในโลกนี้ถูกสักร ะ, ร ะ, ะครอบงำย่ำยีจิตแล้ว หลังจากตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกอันหนึ่งเราเห็นคนบางคนในโลกนี้ถูกความเสื่อมสักระครอบงำย่ำยีจิตแล้วหลังจากตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกอันหนึ่งเราเห็นคนบางคนในโลกนี้ถูกสักระและความเสื่อมสักระทั้งสองอย่างครอบงำย่ำยีจิตแล้ว หลังจากตายแล้วพวกเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิบนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า สมาธิของภิกษุใดผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่หวั่นไหวด้วยเหตุสองประการคือ 1. ด้วยมีผู้สักการะ 2. ด้วยไม่มีผู้สักการะภิกษุผู้เข้าฌานมีความเพียรพิจารณาด้วยปัญญาที่สุขุมยินดีในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทานนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าสัตบุรุษสขากะสูตรที่สิบ ป็วมวักจบรวมพระสูตรที่มีนิวักนี้คือ 1. ทารุณสูตร 2. พลิริสสูตร 3. กุมมะสูตรส ทีโลมิกสูตร 5. มีละหกะสูตร 6. ออสนิสูตร 7. ทิทัสูตร 8. สิคาละสูตร 9. เวรัมพะสูตร 10. สคาทกกะสูตร 2. ทุติยวัคหมวดที่สองหนึ่งสุวรรณปาติสูตรว่าด้วยถาทองคำพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขกรูมสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงต่อการบรรลุธรรมเรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า แม้เพราะถาทองคาเต็มด้วยผงเงินเป็นเหตุท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดเท็จต่อมาเราเห็นเขาถูกลาบสักระและความสันเสริญครอบงำย่ำยีจิตแล้วก็พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่พิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้สุวรรณปาติสูตรที่หนึ่ง 2. รูปิยะปาติสูตรว่าด้วยถาตรูปิยะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรงสาวัตถีพิสษุทั้งหลายลาบสักระและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณ ละถึงต่อการบรรลุธรรมเรากาหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าแม้พระถาทองคําเต็มด้วยผงทองคําเป็นเหตุท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดเท็จต่อมาเราเห็นเขาถูกลาบสักระและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตแล้วก็พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณ ละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้รูปิยะปาติสูตรที่สองจบสามถึงสิทสุวรรณนิขะสุตาที่อัตกะ ว่าด้วยพระสูตรแปดสูตรมีสูตรว่าด้วยทองคําแท่งเป็นต้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรากําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าแม้พระทองคําแท่งเป็นเหตุสูตรที่สามจบ 4. แม้พระทองคำร้อยแท่งเป็นเหตุสูตรที่สี่จบ 5. แม้เพราะทองสิงขีเป็นเหตุสูตรที่ห้าจบ 6. แม้เพราะทองสิงขีร้อยแท่งเป็นเหตุสูตรที่หจบ 7. แม้เพราะแผ่นดินที่เต็มด้วยแร่ทองคำเป็นเหตุสูตรที่ 7. จบ 8. แม้เพราะเห็นแก่ของกำนันเพียงเล็กน้อยเป็นเหตุสูตรที่ 8. ปจบ 9. แม้เพราะชีวิตเป็นเหตุสูตรที่เก้าจบสิบแม้เพราะนางงามประจำแคว้นเป็นเหตุท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดเท็จต่อมาเราเห็นเขาถูกลาบสักระและความสรนเสริญครอบงำย่ํายีจิตแล้วก็พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ชนะปทะกัลยานีสูตรที่10จบทุติเยวักจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สุวรรณปาติสูตร 2. รูปิยะปาติสูตรสสุวรรณนิขสูตรสสุวรรณนิขสตสูตรหสิงขินิขสูตร 6. สิงขินิคสตสูตรเจ็ดปทวิสูตรแอามิกินจิขสูตรเชีวิตสูตรสิบ ชนะปทะกัลยานิสูตรสาตติยวักหมวดที่ส 1. มหนึ่งมาตุคามสูตรว่าด้วยมาตุคามพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถี ภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงต่อการบรรลุธรรมมาตุคามคนเดียวไม่สามารถครอบเมือมจิตของภิกษุรูปหนึ่งแต่ลาบสักระและความสันเสริญสามารถครอบเมือมจิต <c extending> ของภิกษุได้ละถึงภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้ เธอทั้งหลายพืงศึกษาอย่างนี้มาตุคามมาสูตรที่หนึ่งจบ 2. กัลยาณิสูตรว่าด้วยนางงามพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถี ภิกษุทั้งหลายลาบสักร ะ, ระและความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมนางงามประจำแขวงคนเดียวไม่สามารถครอบงําจิตของภิกษุรูปหนึง่งแต่ลาบสักร ะ, ระ tunnel, และความสรนเสริญสามารถครอบงำจิตของภิกษุได้ละถึงภิกษุทั้งหลายลาบสักร ะ, ระ ja และความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้กลยานิสูตรที่สองจบ 3. เอกปุตตะสูตรว่าด้วยบุตรคนเดียวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถี ภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงต่อการบรรลุธรรมอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเมื่อจะวิงวอนบุตรคนเดียวซึ่งเป็นที่น่ารักน่าพอใจโดยถูกต้องพึงวิงวอนว่าลูกเอย๋ยขอพ่อจงเป็นเช่นจิตตะคหบดีและหัทกะอาลาวกะอุบาสกเถิดบรรดาอุบาสกสาวของเรา เคยจิตตะขหาดีและหัตถะอาลวกาอุบาสกเป็นผู้ช่างได้วัดได้นางพึงวิงวอนอีกว่าถ้าพ่อออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตก็ขอให้เป็นเช่นพระสารีบุตรและพระโมฆลลานะเถิดบรรดาภิกษุผู้เป็นสาวกของเราคือสารีบุตรและโมฆลลานะเป็นผู้ช่างได้วัดได้นางพึงวิงวอนต่อไปว่าลูกเ อ, อ๋ย ขอลาบสักระและความสรนเสริญจงอย่าครอบงามเจ้าผู้เป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลเลยถ้าลาบสักระและความสรนเสริญครอบงามภิกษุผู้เป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลก็ย่อมเป็นอันตรายแก่เธอภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ เอกปุตกะสูตรที่สามจบ 4. เอกทีตุสูตรว่าด้วยทิดาคนเดียวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรงสาวัตถีภิกษุทั้งหลาย ลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเมื่อจะวิงวอนทิดาคนเดียวซึ่งเป็นที่น่ารักน่าพอใจโดยถูกต้องพึงวิงวอนว่าลูกเอย๋ยขอเจ้าจงเป็นเช่นนางขุชุตราอุบาสิกาและนางนันทมานดาชาวเมืองเวลุกันทะกะเถิด บรรดาอุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของเราคือคุุชุตราอุบาสิกาและนางนันธมารดาชาวเมืองเวลุ ก, กันทกะเป็นผู้ช่างได้วัดได้นางพึงวิงวอนอีกว่าถ้าแม่ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตก็ขอให้เป็นเช่นเขมาภิกษุณีและอุบลวรรณาภิกษุณีเถิดบรรดาภิกษุณีผู้เป็นสาวิกาของเรา เขมาภิกษุณีและอุบลว น, นาภิกษุณีเป็นผู้ช่างได้วัดได้นางพึงวิงวอนต่อไปว่าลูกเอ๋ยขอลาบสักระและความสรรเสริญจงอย่าครอบงำเจ้าผู้เป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลเลยถ้าลาบสักระและความสรนเสริญครอบเงำภิกษุณีผู้เป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลก็ย่อมเป็นอันตรายแก่เธอภิกษุทั้งหลาย ลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้เอกะทีดุสูตรที่สจบ 5. สมณพรามนาสูตร ว่าด้วยสมณะพราหม์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากลาบสักระและความสรรเสริญตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพราหม์ในหมู่พราหม์ ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากลาบสักระและความสรรเสริญตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพรามในหมู่พราม ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสมณะพรามน ส, สูตรที่5จบ6 ทุติยะสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคโครงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากลาบสักระและความสรรเสริญตามความเป็นจริงละถึงท่านเหล่านั้นรู้ชัดละถึง ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากลาบสักระและความสรรเสริญตามความเป็นจริงและถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทุติยะสมณะพรามนสูตรที่6จบ เตตติยะสมณะพราหมณสูตรว่าด้วยสมณะพราหมณ์สูตรที่สพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดลาบสักระและความสรเเริญความเกิดแห่งลาบสักระและความสรเเริญความดับแห่งลาบสักระและความสรเเริญ และปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งลาบสักระและความสันเสริญละถึงรู้ชัดละถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันตติยะสมณพราหมณสูตรที่7จบ ชวิสูดว่าด้วยผิวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณลาบสักระและความสรรเสริญย่อมตัดผิวครั้นตัดผิวแล้วย่อมตัดหนังครั้นตัดหนังแล้วย่อมตัดเนื้อครั้นตัดเนื้อแล้วย่อมตัดเอ็นครั้นตัดเอ็นแล้วย่อมตัดกระดูก ครั้นตัดกระดูกแล้วก็ตั้งจดเยื่อในกระดูกอยู่ภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุและถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ชวิสูตรที่8ดจบ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 ครั้นตัดกระดูกแล้วก็แต่งจดเยื่อในกระดูกอยู่เปรียบเหมือนบุรุษผู้ทรงพลังเอาเชือกขนหางสัตว์อย่างเหนียวพันแข้งแล้วสีไปสีมาเชือกนั้นพึงตัดผิวครั้นตัดผิวแล้วพึงตัดหนังครั้นตัดหนังแล้วพึงตัดเนื้อครั้นตัดเนื้อแล้วพึงตัดเอ็นครั้นตัดเอ็นแล้วพึงตัดกระดูก ครั and altung, and ้นตัดกระดูกแล้วก็ต <threshold> ั well ้งจดเยื well ่อในกระดูกอยู่อุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นลาบสักระและความสัรเสรย่อมตัดผิวครั้นตัดผิวแล้วย่อมตัดหนังครั้นตัดหนังแล้วย่อมตัดเนื้อครั้นตัดเนื้อแล้วย่อมตัดเอ็นครั้นตัดเอ็นแล้วย่อมตัดกระดูกครั้นตัดกระดูกแล้วก็ตั้งจดเยื่อในกระดูกอยู่ ภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ราชูสูตรที่เก้าจบ 10. ภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าลาบสักระและความสันเสริญเป็นอันตรายแม้แก่ภิกษุผู้เป็นอรหันตขีนาศเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ลาบสักระและความสันเสริญเป็นอันตรายแก่ภิกษุขีณาศพประเภทไหนอานนท์เราไม่กล่าวว่าลาบสักระและความสันเสริญเป็นอันตรายแก่เจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบของภิกษุขีณาศพนั้นแต่เรากล่าวว่าลาบสักระและความสันเสริญเป็นอันตรายแก่ธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน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 เราทั้งหลายจากละลาบสักระและความสันเสริญที่เกิดขึ้นลาบสักระและความสันเสริญที่เกิดขึ้นแล้วจากไม่ครอบงำจิตของเราทั้งหลายตั้งอยู่เธอทั้งหลายเพึงศึกษาอย่างนี้ภิคุสูที่สิบจบตาติยะวะักจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. มาตุคามสูตร 2. การยานิสูตรสเอกะบุตกะสูตรสเอกะทีตุสูตร 5. สมณพราหมณสูตร 6. ทุติยสมณพราหมณสูตร 7. ตติยสมณพราหมณสูตร 8. ชวิสูตร 9. ราชุสูตร 10. พิกขุสูตร 4. จะจตุทวักหมวดที่ส 1. นพินที่สูตรว่าด้วยการทำลาย พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงเทวทัตถูกลาบสักระและความสรนเสริญครอบงำย่ำยีจิตแล้วจึงทําลายสง์ภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงอย่างนี้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้พินที่สูตรที่หนึ่งจบ 2. กูสละมู ล, ลสูตรว่าด้วยกูสลละมูลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถี ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงกุศลละมูลของเทวทัตผู้ถูกลาบสักระและความสันเสริญครอบงำย่ำยีจิตถึงความขาดศูญแล้วภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณนละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ กุชละมูลสูตรที่สองจบ 3. กุสละธรรมสูตรว่าด้วยกุศลธรรมพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาค ภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงกุศลธรรมของเทวทัตผู้ถูกลาบสักระและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตถึงความขาสูญแล้วภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ กุสละธรรมสูตรที่สจบ 4. สุขธรรมสูตรว่าด้วยธรรมขาวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคกระรงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาค ภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงทำฝ่ายดีขาวของเทวทัตผู้ถูกลาบสักระและความสันเสริญครอบงำย่ำยีจิตถึงความขาดศูนย์แล้วภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้สุกธรรมสูตรที่สี่ ห้าอาจิระปักกันตสูตรว่าด้วยการหลีกไปไม่นานสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาขิจกูรเคครุงราชครื้ เมื่อพระเทวทัตหลีกไปไม่นานณที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงปราบรพระเทวทัตได้รับเสียงเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรรเสริญเกิดแก่เทวทัตผู้ฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมต้นกล้วยผลผลเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันใด ลาบสักระและความสรรเสริญเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันนั้นต้นไผ่ออกขุยเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉั้นใดลาบสักระและความสรรเสริญเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันนั้นต้นอ้อออกดอกเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉั้นใด ลาบสักระและความสันเสริญเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันนั้นแม่ม้าอัสดรตั้งคันเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันใดลาบสักระและความสันเสริญเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันนั้นภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงอย่างนี้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตสศาสดาครั้นตรัสเวยากรณาภาสิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผลกล้วยฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อลูกม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าฉันใดสักกระย่อมฆ่าคนชั่วฉันนั้น อาจิระปักกันตสูตรที่หจบ 6. ปัญจรฐาสตสูตรว่าด้วยราชรสห0 0พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวัน สถานที่ให้เยียกระแต่เขเครงราชครืสมัยนั้นอาชาศัตรูราชกุมารเสด็จโดยราชรถห0 0คันไปบำรุงพระเทวทัตทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและรับสั่งให้นำพัตหารที่สมควรไปพระราชทานห0าสำรับครั้งนั้นภิกษุเป็นจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาตแล้วนั่งหน้าที่สมควร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 แม่อาชาศัตรูราชกุมารจักเสด็จโดยราชรถห้าร้อยคันไปบำรุงเทวทัตทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและจักรับสั่งให้นำพัตทหารที่สมควรไปพระราชทานห้าร้อยสำรับเพียงใดเทวทัตก็พึงหวังความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเพียงนั้นหวังความเจริญไม่ได้เปรียบเหมือนสุ น, นักดุที่เขาขยี้ดีดีหมีดีปลาใส่ในจมูก เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ยิ่งดุร้ายกว่าเดิมหลายเท่าอุปมาณ้ฉันใดอุปไมคก็ฉันนั้นอาชาศัตรูราชกุมารจากเสด็จโดยราชรถห้าร้อยคันไปบำรงเทวทัตทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและจากรับสั่งให้นำพัตหารที่สมควรไปพระราชทานห้0อยสำรับเพียงใดเทวทัตก็พึงหวังความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเพียงนั้น หวังความเจริญไม่ได้พิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุ่นและถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ปัญจรฐสตะสูตรที่หจบ